วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนพุทธศัรกราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันหยุดทำงานอีกหนึ่งวันญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงได้มีเวลาที่จะมาวัดเพื่อมาศึกษา เรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความเจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดของความเจริญของจิตใจ คือการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆการที่จะพัฒนายกระดับจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงให้เจริญขึ้นไปนั้นจำเป็นต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำไปเป็นผู้พาไป เพราะถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนกับเดินในที่มืดนั่นเองเวลาเดินไปไหนมาไหนในที่มืดจะมองไม่เห็นอะไรจะไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ตะวันออกตะวันตกว่าอยู่ทางด้านไหนจะไม่รู้ว่าการเจริญของจิตใจนั้นไปในทิศทางไหน จิตใจที่ปราศจากแสงสว่างแห่งธรรมก็จะเป็นจิตใจที่จะต้องหลงติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มีความสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของตนให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย จะไม่สามารถที่จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้จาเป็นต้องมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นผู้พาไปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ตามที่พวกเราได้สวดกันอยู่เสมอก็คือสวากาโตภะวตาธังโมแปลว่าอะไร แปลว่าเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว<ม>คือเป็นคำสอนที่สอนตรงความเป็นจริงนั่นเองตัดไว้ชอบก็คือความว่าชอบก็คือความจริงพูดไปตามความเป็นจริงทุกอย่างพระธรรมคำสอนที่มีอยู่แปดหมื่นสี่พันธรรมบทที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นความจริงทั้งนั้น แต่อาจจะเป็นความจริงที่ผู้ศึกษายังไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากใจของผู้ศึกษานั้นยังมืดบอดอยู่จึงยังไม่สามารถเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีศรัทธาความเชื่อ ในตัวพระพุทธเจ้าเองก่อนว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ตัดสู้ธรรมตัดสู้ความจรงิงโดยเฉพาะเรื่องที่จะยกระดับจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้ขึ้นสู่ความสูงสุดของจิตใจ คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ยังมีความมืดบอดอยู่จำเป็นจะต้องสร้างศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้ได้เรารู้จักเรื่องของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเราก็รู้จักเรื่องของ พ, พุทธเจ้าจาก พระธรรมคำสอนนี่แหละเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านำมาเล่าให้พวกเราฟังหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวลในวันเพ็ญเดือนหกแล้วสองเดือนต่อมาคือวันเพ็ญเดือนแปดพระพุทธเจ้าก็เริ่มประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกทรงสอนทรงแสดงธรรมในแง่มุมต่างๆ สอนพูดเรื่องประวัติของพระองค์เองว่าพระองค์นั้นเป็นใครมาจากไหนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรได้รู้ได้เห็นอะไรอันนี้ทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี้มาจากคำพูดของพระพุทธเจ้าเองทั้งนั้นไม่มีใครเป็นผู้แต่งขึ้นมาอันนี้ เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าที่ตัดโดยพระพุทธเจ้าเองและได้มีการจดจํากันมาถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกได้มีการรจนามีการตรวจสอบจากพระอรหันต์ห้าร้อยรูปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วสามเดือน ผ่านลห้าร้อลูกก็มาประชุมกันแล้วก็นำเอาคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45บห้าปีด้วยกันนั้นเอามาทบทวนเอามาตรวจสอบกันว่าถูกต้องหรือผิดอย่างไรจำมาได้ถูกหรือผิดอย่างไร ถ้ามีพระอราหันต์ห้าร้รูปมาตรวจสอบแล้วรับประกันได้ว่าจะสามารถตรวจได้ว่าส่วนไหนที่ไม่เป็นความจริงหรือการจดจําของผู้จดจำนั้นจดจํามาผิดพลาดอย่างไรฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เรียกว่าสวากขาโตภะวตาธรรมโมนี้ได้รับการรับรองรับประกันจากพระอาหารหันตตาสาวก ห้าร้อยรูปด้วยกันเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกของพระอาหารหันต์หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธ์ทปณินิพพานไปแล้วปัญญาพระอาหารหันต์พระเถระผู้ที่มีความปรารถนาที่จะนักษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ผุดผ่ดอง ไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็เลยมีการนับประชุนกันและพระอาลั์เหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นและได้ปฏิบัติและได้รับผลจากการปฏิบัติได้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นถึงขั้นสูงสุดได้ทุกๆุกพระองค์ทุกๆุูป จึงเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธถึงแม้ว่าเราจะมาหลังจาก 2,500 กว่าปีไปแล้วก็ตามเราก็ยังสามารถปักใจเชื่อได้ว่าคำสอนต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังในปัจจุบันนี้ที่เราได้ยินตามจากครูบาอาจารย์ต่างๆจากพระอริยสงฆ์ต่างๆหรือจากพระไตรปิฎกนี้ เป็นคำจเป็นความจริงทั้งนั้นเป็นสวาขาโตภควาตาธรรมโมเป็นสิ่งที่เราสามารถปักชื่อปักใจเชื่อได้ร้อยเอร์ซถึงแม้ว่าเรายัางจะไม่ได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ตามแต่เราจําเป็นที่จะต้องสร้างศรัทธาอันนี้ขึ้นมาให้ได้เพราะพวกเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับคนตาบอด น, นี่ ใจของพวกเรานี้มืดบอดด้วยโมหะอาวิชชาโมหะอาวิชชานี้ก็เปรียบเหมือนกับผ้าที่เรามาผูกปิดตาของเราไว้เวลาเราผ้ามาผูกปิดตานี้เราจะไม่สามารถเห็นอะไรเลยฉันใดโมหะอาวิชชาที่มาปกปิดจิตใจของพวกเรานี้ก็ทำให้เราไม่เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วการที่พวกเราจะต้องการที่จะไปทิศทางที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงคือความตัดสู้การบรรลุธรรมขั้นต่างๆเราก็ต้องอาศัยผู้ที่ได้ตัดสู้แล้วได้บรรลุแล้วเป็นผู้สอนผู้บอกทางให้กับเรานี่ยเองเราเป็นเหมือนคนตาบอดเวลาคนตาบอดจะไปไหนมาไหนนี้มักจะต้องอาศัยคนตาดีพาไป ถ้าไม่มีคนตาดีพาไปนี้ไปไม่ได้ไปด้วยตนเองไม่ได้นั้นได้พวกเราก็เช่นเดียวกันการที่พวกเราจะไปสู่พระนิพพานได้สู่มรรคผลนิพพานได้เราต้องมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพาไปนั่นเองดังนั้นความศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่ เราจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ก็ขอให้มีมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงคงไม่อยู่มาถึง 2,500 กว่าปีคงจะต้องมีคนมาปฏิเสธคัดค้านอย่างแน่นอนเช่นในสมัยโบราณ น, นี่ คนโบราณเขาก็เชื่อจะเชื่อว่าโลกนี้แบนนะความเชื่อว่าโลกนี้แบนก็เป็นความเชื่อที่มายาวนานจนวันหนึ่งก็ได้รับการพิสูจน์ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงงั้นโลกนี้กลมโลกนี้ไม่แบนความคิดว่าโลกนี้แบนตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความจริง เพราะมีผู้ที่สามารถมาพิสูจน์ความจริงได้ว่าโลกนี้ไม่แบ่งโลกนี้กลมแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องของจิตใจของพวกเรานี้ยังไม่มีใครมาคัดค้านได้ว่าไม่เป็นไม่เป็นความจริงนี่คือพื้นฐานของความเชื่อว่าอย่างน้อยก็ ไม่มีใครมาคัดค้านว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็มีผู้มารับประกันรับผู้รับรองคำสอนพ ร, ระพุทธเจ้านี้มีอยู่มากมายมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็คือผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งหลายนั่นเองพระอริยบุคคลทุกทุกรูปนะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นี้ ซึ่งมีจำนวนเป็นหลายแสนหลายล้านแล้วถ้าถ้าเรามานับกันนับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนครั้งแรกก็มีพระโสดาบันเกิดขึ้นมา ท, ทันทีพระอริยบุคคลเหล่านี้ไม่มีองค์ใดามาปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยมีแต่น้อมนับแล้วก็ รับรองว่าเป็นความจริงทุกประการอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราปักใจเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าเป็นสวากขาโตภะวตาธมโมหนึ่งไม่มีใครมาคัดค้านว่าไม่เป็นความจริงสองมีพระอรหันตสาวกและพระอริยสงสาวกจํานวนมากมายหลายแสนหลายล้านด้วยกัน มารับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์อย่างน้อยก็ห้าร้อรูปด้วยกันตอนที่มีการสังขยานาพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วป้าหลานห้าร้อยรูปนี้เป็นผู้รู้การพัฒนาจิตใจเพราะเป็นผู้สามารถ นำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพัฒนาจิตใจของตนได้จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาทั้งห้าร้อรูปนี้ก็มาสังขยาคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถึงส5สิบหปีด้วยกันพระพุทธเจ้านี้ทรงแสดงธรรมทุกวันยกเว้นในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่มีการีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะทรงแสดงธรรมวันละสี่รอบด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็แสดงให้กับญาติโยมศรัทธาญาติโยมตอนค่ำก็แสดงให้กับภิกษุภิกษุณีตอนเดึกก็แสดงธรรมให้กับเทวดาและตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาต ก็ทรงเร่งยานว่าจะไปทรงแสดงทำให้แก่ผู้ใ ด, ดในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องเป็นพุทธกิจสข้อด้วยกันรวมกับอีกข้อหนึ่งคือการออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เป็นห้าข้อเรียกว่าพุทธกิจห4สี่ข้อเป็นการสั่งสอนธรรมะ ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราเพื่อพวกเราจะได้มีหูตาสว่างเห็นทางที่จะพาให้เราได้ยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปสู่ขั้นสูงสุดไปสู่ความสุขที่สูงสุดคือความสุขของพระนิพพานนี่คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ถ้าเรายังสงสัยอยู่เราต้องพยายามศึกษาให้มากขึ้นศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสั่งคำสอนพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่และที่จากไปแล้วท่านจะสามารถมารับประกันมายืนยันให้พวกเราเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซว่า คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภะวะตาธรรมโอนีอันนี้คือข้อที่หนึ่งคำสอนที่พระเจ้าสอนที่เป็นความจริงก็คือเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เรื่องผลของบุญของบาปทำบุญแล้วไปสวรรค์ทำบาปแล้วไปอบายไปนรกเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดคือตายแล้วไม่สูญ ร่างกายสูญไปแต่ใจไม่ได้สูญไปกับร่างกายใจนี้เป็นผู้อยู่คู่กับร่างกายขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่แต่พอร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจอยู่ต่อไปและใจนี่แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็จะเป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ ในพบต่อไปข้างหน้าแล้วก็ใจนี่แหละถ้าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็จะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ที่จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือธรรมะโดยสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสรุปมีเท่านี้เป็นความจริง ที่ในบทธรรมคุณข้อที่สองที่ว่าสันทิตโกนีสันทิตโกนี้แปลว่าเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้โดยการปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้สามารถจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเผยแผ่สั่งสอนได้จะเห็นตัวจิตใจจะเห็น ตัวจิตใจผู้ทำบุญว่าจะได้สวรรค์จะเห็นว่าถ้าทำบาปก็จะได้อบายถ้ายังไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาออกไปจากใ จ, ก, จก็จะต้องไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้ต้องปฏิบัตนะิถึงจะเห็นได้อย่างมั่นใจอย่าง ร้อยเปอร์เซนตถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วนี่ความเชื่อที่เคยเชื่อนี้ก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาทั้งหมดเลยจนไม่มีความจำเป็นจะต้องเชื่ออีกแล้วไม่ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วในเมื่อเห็นความจริงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วความเชื่อเลยกลายเป็นความจริงขึ้นมาในใจของผู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ นี่คือความหมายของสันสันติิโกคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายไม่ให้เชื่อโดยการที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเบื mm ้องต้นก็เชื่อด้วยการใช้เหตุผลว่าน่าจะเป็นความจริงเพราะไม่มีใครมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นความจริงและมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามคําสอน มารับรองว่าเป็นความจริงอันนี้เป็นเหตุที่เราสามารถใช้เป็นที่ที่ตั้งของศรัทธาความเชื่อของเราได้แต่มันก็ยังเป็นเหมือนคนตาบอดเชื่อคนตาดีอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราสามารถเอาผ้าที่ปิดตาเราออกได้นี่พอเราเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยตาของเราเองเราก็ไม่ต้องเชื่อคนตาดีต่อไป ไม่ต้องอาศัยคนตาดีให้พาเราไปที่ไหนอีกต่อไปเพราะเราเห็นได้ด้วยตัวของเราเองเรามีตาของเราเองแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ช้าก็เร็วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมก็คือสามารถที่จะเอาโมหะอวิชชาที่มาปกปิดจิตใจนี้ออกไปจากใจ เหมือนกับเราเอาผ้าที่ปิดตาออกจากตาเราไปพอไม่มีผ้าปิดตาไม่มีโมหะอวิชชาปกปิดจิตใจใจก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เห็นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกเห็นการไปเกิดในที่สูงที่ต่ำของสัตว์โลกว่าเกิดจากการทำบุญทำบาปต่างๆพระอริยบุคคล ท่านจึงไม่ทำบาปร้อยเปรเซนต์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านละศีลัะพระตปารมาแปลว่าการรูปคำสินคำว่ารูปคำสินกับรูปคำกฎแห่งกรรมนี่คือพวกเรานี่ยังเหมือนคนตาบอดอยู่ยังยังไม่มั่นใจว่าทําบุญแล้วได้บุญจริงหรือเปล่าทําบาปแล้วได้ผลบาปจริงหรือเปล่า เพราะเรายัางไม่รู้วิธีดูว่าดูอย่างไรเราไปเห็นคนทำบาปแล้วได้ดิบได้ดีเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่กฎแห่งกรรมใช่แล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมบอกว่าทาชั่วต้องได้ชั่วแต่ทำไมคนสมัยนี้ทาชั่วแล้วได้กลับได้ดิบได้ดีกันเราก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาในกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไรกันแน่ทาไมสมัยนี้ คนทำดีมักจะไม่ได้ดีกันแต่ทำไมคนทำชั่วมักจะได้ดิบได้ดีกันอันนี้เป็นเพราะว่าเราไปดูผลของการทำบุญทำบาปไม่ได้ถูกที่นั่นเองที่ของผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้ต้องดูที่ใจอย่าไปดูที่ลาบยศเสริญสุข อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันคนละเรื่องกันคนที่เจริญในราบยศสารเสริญสุขนี้เจริญด้วยการทําบาป ก, ก็มีเยอะแยะไปช่อโกงก็ร่ํารวยได้ไปป้นไปจี้ไปฆ่าคนก็สามารถร่ำรวยได้เป็นโจรโจรเขาก็สามารถป้นจี้เอาทรัพย์สมบัติของผู้มาเป็นสมบัติของตนได้อันนี้ไม่ได้เป็นผลที่ ที่กฎแห่งกรรมพูดถึงผลที่กดแห่งกรรมพูดถึงนี้คือจิตใจใจเป็นผู้กระทําบุญเป็นผู้กระทําบาปและใจนี่แหละเป็นผู้รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายและผลบุญผลบาปก็ไม่ใช่ราบยศเสรเสริญสุขแต่เป็นความเจริญของจิตใจหรือความเสื่อมของจิตใจ ความเสื่อมของจิตใจและความเจริญของจิตใจเราก็แบ่งเป็นภพเป็นชาติไปนั่นเองเป็นภพเป็นภูมิไปเช่นการเสื่อมของจิตใจเป็นอย่างไรตอนนี้พวกเราจิตใจของเราอยู่ในระดับของมนุษย์เนี่ยถ้าเสื่อมก็ลงไปสู่ระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์ระดับที่ต่ำกว่ามนุษย์คืออะไรก็คือเดรัจฉานเนี่ยสัตว์เดรัจฉานที่เรา เห็นเช่นสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวพวกนี้เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตใจเขาต่างกว่าจิตใจของมนุษย์เพราะเขาไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วแล้วก็ความสุขความทุกข์ของเขาก็น้อยความสุขก็น้อยกว่าของมนุษย์ความทุกข์ก็มากกว่าของมนุษย์นีเพราะเป็นการ ทำบาปผู้ที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็เพราะว่าไปทําบาปนั่นเองข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปกดเป็นต้นการกระทาเหล่านี้จะดึงจิตใจให้ลงต่ำอันนี้ไม่ต้องมีใครมาให้เป็นผู้ให้คุณให้โทษมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่เหมือนกับรางวัลทางโลกไง ทำความดีเขาก็อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เราเพิ่มเงินเดือนให้กับเราอันนี้ไม่ได้เป็นผลของที่ในหลักธรรมได้พูดถึงเรื่องการเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขนี้เ<ม>จริญได้ทั้งวิธีทาบุญและทาบาปเช่นเดียวกับการเสรื่อมของลาบยศสารเสริญสุขก็เสื่อมได้จากการทำบุญหรือจากการทำบาป เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ออกว่าใครเป็นผู้กระทาบุญกระทาบาปและผลบุญผลบาปนี้เกิดที่ที่ไหนก็เกิดขึ้นกับผู้ที่กระทำนั่นแหละคือจิตใจนี้เองจิตใจใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปแต่บางทีเวลาเขาจะตอบแทนความดี เขาก็ไม่รู้จะไปตอบแทนใจได้อย่างไรเขาเลยไปตอบแทนที่ร่างกายแทนเช่นเวลาเราทําความดีเขาอยากจะมอบรางวัลให้กับเราเขาไม่สามารถไปมอบให้กับใจของเราได้เพราะเขาไม่รู้ว่าใจของเราอยู่ที่ไหนเขาที่ว่าใจของเราอยู่กับร่างกายเขาก็เลยไปมอบให้ที่ร่างกายชวนให้เราไปรับรางวัลไปรับขั้นรับตําแหน่งอะไรต่างๆเป็นต้น อันนี้อาจจะทําให้เราค่อยเคลืได้ถ้าเราไม่รู้หลักความเป็นจริงของกรรมของการกระทําและของการรับผลของการกระทําว่าใครเป็นผู้กระทําและใครเป็นผู้รับผลของการกระทํำและผลของการกระทํานี้เป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้กันอันนี้ใจเป็นผู้กระทำํำนะใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะเจรเิญหรือจะเสื่อม ถ้าใจทําบาปใจก็จะเสื่อมจากมนุษย์ลงไปทันทีถึงแม้ตอนนี้ร่างกายจะเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ใจของคนบางคนที่ทําบาปนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ละเริ่มกลายเป็นสัตว์ในราฉานบ้างนะเริ่มเป็นเปรตเริ่มเป็นอสู ร, รกายเริ่มเป็นนรกขึ้นมาแล้วความทุกข์ที่มีในระดับของมนุษย์ก็จะน้อยก็จะมีเพิ่มมากขึ้น พอปเป็นปพเป็นความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานเข้ามาความทุกข์ของเปรตของอสุรกายของนรกจะเข้ามาในจิตใจถึงแม้ว่าร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจนี้ได้เปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมแล้วทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่ออันนี้ไม่ต้องมีใครมาเป็นผู้ให้คุณให้โทษมันเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับฝนตกแดดออกเนี่ย เวลาฝนตกมันก็สว่างไอ้เวลาเวลาฝนตกมันก็มืดแล้วมันก็เย็นเวลาแดดออกมันก็สว่างมันก็ร้อนขึ้นมามมอันนี้มันเป็นผลที่เป็นมาโดยธรรมชาติบุญมันเป็นความร้อนของร้อนทำบุญแล้วใจร้อนใจทุกข์บุญไอ้บาปทำบาปแล้วใจร้อนใจทุกข์บุญเป็นของเย็น ทำบุญแล้วใจเย็นใจสุขใจสบายแล้วใจก็จะสูงขึ้นความสุขความสบายนี้เป็นการยกระดับใจให้สูงขึ้นเพราะจะเป็นความสุข ข, ของระดับของเทวดาทำบุญแล้วใจก็จะเย็นจะมีความสุขมากขึ้นก็จะไม่เรียกว่าใจนี้เป็นมนุษย์แล้วเพราะใจมนุษย์นี้เป็นใจแบบ สุกบ้างไม่สุขบ้างสุกน้อยกว่าใจของเทวดาอันนี้แหละเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของบุญเรื่องของบาปอันนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะเห็นได้ชัดเจนเพราะการปฏิบัตินี้จะสอนให้เราหันเข้ามาดูที่จิตใจของพวกเราให้ดูว่าตอนนี้จิตใจของพวกเราเป็นอย่างไรเอ กำลังเย็นด้วยกำลังร้อนไม่ได้เย็นเพราะชื่อบางคนตั้งชื่อว่าน้ำแข็งแต่ใจนี้อาจจะร้อนเป็นไฟก็ได้ถ้าลองไปทำบาปขึ้นมานะอันนี้คือสันทิติโกคือผู้ปฏิบัตินี้จะจะสามารถพิสูจน์ทำที่พพุทธเจ้าทรงสอนได้เพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัตินี้ อย่าไม่สามารถที่เปิดตาในได้นี่นเปิดตาตาทิพย์ของเราใจของเรานี้มีตาทิพย์ด้วยร่างกายเป็นตาเนื้อส่วนใจนี้มีตาทิพย์แต่ตาทิพย์ของใจตอนนี้ถูกโมหะวิชชาปิดบังเอาไว้เราต้องเอาแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามาเปิดมันออกขึ้นมาเราต้องศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนพอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยเราจะไม่สงสัยในพระพูดพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเราจะไม่ลูกคำสินอีกต่อไปเราจะไม่สงสัยว่าทําบุญแล้วไปสวรรค์หรือไม่ทําบาปแล้วไปนรกหรือไม่ไปอบายหรือไม่อันนี้จะเห็นชัดเพราะนรกสวรรค์นี้คือใจนี้เลยใจที่เย็นใจที่สดนี้ก็คือสวรรค์ ใจที่ทุกข์ใจที่ร้อนนี้ก็คือนรกคืออบายนี่นี่คือสันทิติโกรณสมบัติของคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อแบบงมงายเชื่อแล้วไม่ต้องพิสูจน์เชื่อแล้วต้องนำเอาไปพิสูจน์ถึงจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนจนสามารถจะเป็นผู้ที่มารับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ มารับรองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าเป็นสวากขาโตพระกัตาธโมจริงๆ <Yeah. S 1> แล้วสามารถนำเอาความรู้นี้ไปสอนให้คนอื่นได้อย่างไม่มีความสะทกสะทาน <Yeah. S 1> พูดได้อย่างเต็มปาก <Yeah. S 1> เหมือนคนที่ลืมตาขึ้นมาเปิด <Yeah. S 1> คนที่เอาผ้าปิดตาออกแล้ว <Yeah. S 1> สามารถพูดได้เลยว่าตรงนี้มีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> มีคนกี่คน <Yeah. S 1> มีต้นไม้กี่ต้น มีอะไรบ้างนเห็นชัดเจนพูดได้เต็มปากแต่ถ้าปิดตานี้พูดไม่ได้เพราะการพูดก็จะเป็นการด้นเดาไปนี่คือสันติโกความสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้จากการปฏิบัติและต้องปฏิบัติด้วยเพราะถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี้ก็จะไม่ได้เห็น แล้วก็จะไม่ได้รับผลที่เกิดจากการได้เห็นธรรมต่างๆถึงแม้ ว, ว่าจะได้ศึกษาแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังจะไม่สามารถรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติได้จำเป็นจะต้องปฏิบัติท่านถึงเรียกว่าสันต<ม>ิโกข้อที่สท่านบอกว่าเป็นอากาลิโกคุณสมบัติ คือทำคาความจริงที่พระเจ้านำมาเผยแผ่สั่งสอนนี้เป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดสมัยกี่แสนล้านปีมาในอดีตก็ดีหรือสี่ล้านปีในข้างหน้าในอนาคตก็ดีกี่แสนล้านปีในอนาคตก็ดีนี้คำสอนเหล่านี้ยังเป็นความจริงเหมือนเดิมอยู่บางคน เด็กสมัยนี้บางคนคิดว่าคําสอนของพรเจ้านี่ล้าสมัยนะไม่ทันสมัยนะเด็กสมัยนี้ไม่สามารถเข้าใจเข้าถึงได้แนละ้วอันนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่มาศึกษาไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยผู้ที่ล้าสมัยก็คือเขานั่นแหะผู้ที่ไม่ศึกษาเนี่ยแหละเป็นผู้ล้าสมัยเพราะวาความจริงที่พระเจ้ทาทรงสอนนี้เป็นความจริงเหมือนเดิม นรกสวรรค์ในยุคนี้ก็ยังมีอยู่ทําบุญไปสวรรค์ทําบาปไปนรกไปอาบานี้ยังเป็นความจริงอยู่เหมือนเดิมตายแล้วยังไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องปฏิบัติชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ก็ไปถึงพระนิพพานได้บางคนก็มาคิดว่า ยุคสมัยนี้นิพพานหมดสมัยแล้วพรพระพุทธเจ้าตายไปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําพระนิพพานมาให้กับพวกเราพอพระพุทธเจ้าจากพวกเราไปท่านก็เอานิพพานไปด้วยเช่นเวลาท่านดับขันขันก็เรียกว่าเสด็จดับขันท่าปลินิพพานนะคนบางคนก็ไปแปลว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเอานิพพานไปแล้วคนสมัยนี้ปฏิบัติอย่างไรก็ไปไปถึงนิพพานไม่ได้ ว่าพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันธ์พานนิพพานเอานิพพานไปในขณะที่ดับขันธ์อันนี้ก็เป็นการแปลตามตัวอักษรไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงเพราะความหมายที่แท้จริงของคำว่านิพพานนี้มีอยู่สองความหมายด้วยกันนิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่และนิพพานที่ไม่มีชีวิตแล้วคือร่างกายนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ในวันเพ็ญเดือนหกนั้น จิตใจของพระพุทธเจ้านี้ไปถึงนิพพานแล้วแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ร่างกายของท่านยังไม่ตายแล้วพอท่านอายุ45ปีต่อมาพออายุ80ปีร่างกายของท่านตายไปอันนี้ก็เป็นนิพพานแบบไม่มีร่างกายทานั้นเองคือนิพพานอยู่ที่จิตใจเหมือนกับ สามีภรรยาเวลาอยู่ด้วยกันก็มีสมบัติใช้ร่วมกันพอสามีตายไปหรือภรรยาตายไปสมบัติก็ยังอยู่กับสามีหรืออยู่กับภรรยาต่อไปไม่ได้หายไปไหนอันใดนิพพานนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนิพพานนี้เป็นสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจ้าของผู้ปฏิบัติอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ได้ก็จะได้นิพพานกันทุกคนและนิพพานนี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีลิมิตคือว่าพอมีนิพพานถึง500รูปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่มีขอบเขตนิพพานจำนวนนิพพานนี้ไม่มีขอบเขต ใครมีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติถึงพระนิพพานได้ก็จะได้พระนิพพานเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในยุคพระพุทธกาลก็ดีหรืออยู่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีนิพพานก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึงเข้าถึงได้ทุกคนแล้วก็ไม่กําจัดเพศกาจัดวัยด้วยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือน เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะเข้าถึงนิพานนี้ได้ด้วยกันทุกคนถ้าสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่คือคําว่าอาการวิโก้ยันขอให้เราเข้าใจว่านิพานนี้นะเขาแบ่งไวสง้สองแบบด้วยกันเขาเรียกอนุ ป, ปาดิเสสานิพานกะสะ สระอะไรไดิเศสระนิพพานเนี่ยมีสองนิพานนพานนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ <Yeah. S 1> เช่นตอนที่พระ พ, พ, พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกตอนนั้นพระอายุของพระพุทธเจ้าสามสิบห้าปีแต่ใจของพระพุทธเจ้านีน้ถึงนิพพานแล้ว <Yeah. S 1> แล้วก็นิพพานไปจนใจนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอีกสี่สิบห้าปีก็ยังเป็นนิพพานอยู่อย่าง <Yeah. S 1> แล้วพอร่างกายตายไป ตามหลักของสมมุติเราก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นนิพพานอีกแบบหนึ่งนิพพานแบบไม่มีร่างกายเท่านั้นเองแต่ความจริงนิพพานไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนิพพานที่อยู่ในใจของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหอายุสสิหปีจนถึงอายุ80ดสิปีนี้นี่ก็ยังเป็นนิพพานอันเดิมอยู่นิพพานนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีเจริญไม่มีเสือ่อมไม่มีเกิดไม่มีดับ น, นี่คืออาการลิโกทรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าก็ดีหรืออยู่นุกในสมัยปัจจุบันกนี้ก็ดีถ้ามีการปฏิบัติตามได้ก็จะมีผลตามมาด้วยกันทุกยุคทุกสมัยมนั่งผลนิพานนี้ไม่ได้หายสาบสูญไปไหน อยู่ที่การปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้าปฏิบัติได้ก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนอย่างนั้นพวกเราจะได้ไม่ต้องมาลังเลสงสัยว่าเฮ้ชาตินี้สมัยนี้นิพพานนี้หายไปหรื อ, อยังปฏิบัติแล้วจะได้นิพพานกันหรือเปล่าจะได้หลุดพ้นกันหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยหลุดพ้นด้วยกันทุกคนเพราะ แม้แต่ในสมัยนี้เราก็มีผู้ที่ได้หลุดพ้นได้ถึงพระนิพพานกันด้วยกันเยอะแยะไปคือพระที่เรียกว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยพระสุปฏิปันโนเนี่ยหลังจากที่ท่านบรรลุนิพพานแล้วแล้วหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยก็ดูของท่านนี้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รับรองได้ว่านิพพานไม่ได้ศูนในยุคนี้สมัยนี้ยังมี ผู้ที่สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนี่แหละเป็นสายที่มานับรองว่านิพพานนี้ยังไม่สูญหายไปไหนเพราะกระดูกของครูบาอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาเนีและลูกศิษย์ของท่านครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายพอท่านร่างกายท่านตายไปแล้วกระดูกที่ เหลืออยู่นี่บางส่วนก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาเป็นเครื่องยืนยันให้เราได้ได้รู้ว่าใจของท่านนั้นได้ไปถึงพระนิพพานแล้วนี่คืออาการลิโกการที่เราจะต้องศึกษาคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนนี้<ม>ก็เพื่อที่จะได้ทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราไม่ถูกหลอกว่าการการคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นคําสอนที่เป็นเหตุเป็นผลทําแล้วก็จะได้ผลทําบาปก็จะได้ผลของบาปทําบุญก็จะได้ผลของบุญปฏิบัติธรรมชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบไม่มีวันสิ้นสุดได้ อันนี้เราจึงต้องทำความเข้าใจในคุณสมบัติของพระธรรมคำสอนเพื่อที่เราจะได้มีความมั่นใจว่าเราไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยาต่อความจริงทุกประการเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเราก็จะได้ไม่สงสัยเราจะได้ทุ่มเท ชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติด้วยกับการศึกษาเพราะการที่จะศึกษาการปฏิบัติที่จะให้ได้ผลเต็มรอยนี้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติเต็มรอยนั่นเองแต่ในเบื้องต้นนี้เราอาจจะทำตามกำลังของเราไปก่อนตามฐานะของเราไปก่อนเพราะเรายังเป็นคารว่าผู้ครองเรือนอยู่เรายังมีภารกิจต่างๆที่เรายังต้องทำอยู่ มีภาระกับบุคคลต่างๆมีภาระกับการที่เรายังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราอยู่เราก็เลยต้องไปทํางานทําการทำมาหากินเวลาที่เราจะมาศึกษาพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนก็จะมีไม่มากแต่ก็พอจะมีบ้างถ้าเราสนใจจริงๆและอยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติจริงๆเราก็พอมีเวลาแบ่งมาได้ แต่เราอาจจะต้องแบ่งออกมาจากกิจกรรมอย่างอื่น mm hmm. เช่นการไปดูหนังฟังเพลงการไปเที่ยวเตะการไปเล่นไปอะไร mm hmm. เราจะต้องงดกิจกรรมเหล่านี้ลงไป mm hmm. เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติ mm hmm. อย่างเช่นวันนี้เป็นวันหยุด mm hmm. พวกท่านก็สามารถแบ่งาเอาเวลามาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันได้ บางท่านก็ไม่รู้ไม่สนใจก็ไม่มาวัดกันไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้กายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนะคนที่ได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็อาจจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็อาจที่จ ะ, อ, ะอยากจะศึกษาเพิ่มมากขึ้น อยากจะปฏิบัติมากขึ้นก็จะหันเหจิตใจให้มาทางธรรมกันแต่สําหรับผู้ที่โชคไม่ดีหรือไม่มีโอกาสคือไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของพระธรรมเลยไม่เคยได้สัมผัสกับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเลย ก็จะไม่รู้ว่าเรื่องของธรรมนี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อจิตใจของตนก็จะไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจที่จะเข้าหาธรรมกันก็จะไปหาความสุขตามที่เขารู้จักกันเขาก็ได้ความสุขจากการไปเที่ยวท่องเที่ยวเขาก็ไปท่องเที่ยวกันเขาได้ความสุขจากการไปช้อปปิง้งซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆเขาก็จะไป ทำตามที่เขาชอบตามที่เขาได้แต่เขาไม่รู้ว่าความสุขที่เขาได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่สู้ความสุขที่จะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่สำหรับบางท่านที่โชคดีอาจจะได้มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้กับเรื่องราวของพระธรรมคาสอนตั้งแต่ยาววัย เช่นมีครอบครัวที่สนใจธรรมะก็จะพาลูกหลานเข้าวัดให้ได้มาสัมผัสได้ยินได้ฟังธรรมกันก็จะได้ลิ้มรสสัมผัสกับเรื่องของธรรมแล้วก็จะทำให้เห็นคุณค่าของธรรมะแล้วก็จะทำให้อยากที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเราจะมีคนอยู่สองจาพูดเรียกัน พวกที่เข้าวัดกันและพวกที่ไม่เข้าวัดกันพวกที่ไม่เข้าวัดต่อให้ชวนอย่างไรดึงอย่างไรเขาก็ไม่มากันยกเว้นในกรณีพิเศษเช่นวันสำคัญสำคัญของชีวิตเป็นวันเกิดนี่ก็อาจจะเข้าวัดกันสักวันหนึง่งหรือวันขึ้นปีใหม่แล้วก็เข้าวัดกันแต่ไม่ได้เข้ามาเพื่อหาธรรมกันเข้ามาเพื่อขอพรกัน ขอให้ร่ำให้รวยให้สุขให้เจริญให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นไปเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเข้าวัดที่แท้จริงการเข้าวัดที่แท้จริงนี้ต้องการเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อได้ศึกษาแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติต่อก็ต้องเข้าวัดเพราะไม่มีที่ไหนที่จะดีต่อการปฏิบัติเท่ากับที่วัดนั่นเอง เพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานี้จำเป็นต้องมีที่สงบที่ไม่วุ่นวายไม่มีเรื่องราวที่จะมารบกวนจิตใจนั่นเองต้องอยู่ห่งางไกลกระจากเครื่องยั่วยวนใจทั้งหลาย mm hmm. เช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆต้องไปอยู่ในสถานที่สงบคนเหล่านี้ถ้าเขาได้สัมผัสกับธรรมแล้วเขาจะเริ่ม เขาจะแสวงหาสถานที่สงบเพื่อการปฏิบัติต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนจำเป็นที่จะต้องมีความสนใจในธรรมถ้ายังไม่มีความสนใจแต่วันนี้เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมเราสามารถสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้ เป็นเอหิปัสสิโกคาว่าเอหิปัสสิโกนี้แปลว่าเป็นธรรมที่น่าสนใจนั่นเองถ้าใครได้ลองศึกษาได้อ่านได้สัมผัสแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยจะเริ่มสนใจมากขึ้นจะยินดีที่อยากจะรู้มากขึ้นไปตามลำดับเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่ไม่มีความรู้ต่างๆในเรื่องนี้ที่จะมา ให้กับเราได้เหมือนกับความรู้ที่เราได้จากการศึกษาพระธรรมคาสอนได้เรียนรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้เรียนรู้เรื่องอพบชาติของเราเนี่ยไม่มีที่ไหนสอนหรอกมหาวิทยายัยอันอันดับหนึ่งของโลกเขาก็ไม่มีความรู้อย่างนี้แต่มีความรู้ทางศาสนานี้เทานั้นทางพุทธศาสนานย่างถ้าเกิดเราอาจจะโชคดีวันนี้ เปิด Facebook เข้ามาแล้วก็เห็นมีการถ่ายทอสดสดก็ลองสงสัยว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ลองนั่งฟังไปดูฟังไปฟังไปก็อาจจะมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละคนว่าโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างตัวเราเองนี่ก็โชคดีมีคนเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่าน พอได้อ่านเล่มแรกแล้วมันก็ติดใจเหมือนได้อ่านนิยายนะได้ตอนที่หนึ่งแล้วทีก็อยากจะอ่านตอนที่สองตอนที่สามต่อเลยอันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่น่าสนใจมากเป็นธรรมที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้ดังนั้นพวกเราที่ชอบทำบุญด้วยการแจกธรรมะแจกหนังสือธรรมะนี้ ก็เป็นการทำบุญที่ดีเพราะจะเป็นการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าให้ออกไปได้กว้างไกลให้กับผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสรับรู้จะได้สัมผัสรับรู้เช่นตอนนี้เราก็มีสื่อต่างๆญาติโยมผู้ที่มีความบารธนาที่จะร่วมทำบุญธรรมทานเผยแผ่ธรรมะก็เสียสละเวลาละทรัพย์สินมาช่วยกันเผยแผ่ เบอร์จากซื้ออุปกรณ์ต่างๆเบอร์จากเวลามานั่งจัดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดแต่สามารถเข้าถึงมือถือได้ก็อาจจะได้สัมผัสกับธรรมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้บางทีดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้แล้วเบื่อลองเปลี่ยนช่างดูบ้าง มีแต่เรื่องด่ากันตบตีกันทะเลาะกันแก่งแย่งชิงดีกันดูแล้วปวดหัวใหนลองเปลี่ยนมาดูธรรมะหน่อยสิลองไปเปิดเพจที่มีธรรมะดู <c oughs> พอได้ดูได้ฟังแล้วก็ได้สัมผัสกับเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน <c oughs> ก็จะทำให้เกิดมีความสนใจขึ้นมาได้ <c oughs> พอมันเหมือนปลานะที่ติดเบ็ดเนะี่ย พอเบ็ดเกี่ยวปลาแล้วทีนี้ปลามันก็ติดไปกับเบ็ดนั้นถ้าลองใครได้ศึกษาได้สัมผัสกับรำแล้วนี่จะติดอกติดใจถ้าถ้าเข้าใจนะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนี้ก็จะไม่ติดอกติดใจซึ่งสมัยนี้การเผยแผ่ธรรมของของผู้เผยแผ่ธรรมบางท่านก็อาจจะไม่ได้ทําให้ผู้ฟังติดใจก็ได้ เพราะว่าการแสดงธรรมนั้นมักจะใช้ภาษาต่างประเทศกันแทนที่จะใช้ภาษาไทยคนไทยฟังภาษาไทยก็เอาภาษาแขกมาสอนเนี่ยเริ่มต้นก็พูดด้วยเอาภาษาแขกขึ้นมาเลยอเสวนาจบาลานังบันฑิตานันจะเสวนาเนี่ยคนฟังก็หาวสัมีเล ย, เอยสอนอะไรวะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแนละ้วความสนใจมันก็เลยหมดไป คนไทยก็ต้องฟังภาษาไทยเลยเพราะจะได้ฟังรู้เรื่องการสอนนี่เราสอนเพื่อให้คนฟังรู้เรื่องเราไปโรงเรียนนี่ครูก็สอนภาษาแขกหรือเปล่าเรียนเรียนวิชาไหนครูก็ใช้ภาษาแขกสอนหรือใช้ภาษาไทยเรียนประวัติศาสตร์เขาก็ใช้ภาษาไทยเรียนคณิตศาสตร์เขาก็ใช้ภาษาไทยนักเรียนถึงเรียนรู้เรื่องกั น, นแต่ถ้าเราไปสอนภาษาแขกดูสินักเรียนหาวกันทุกคน่ และดีไม่ดีก็กลับบ้านดีกว่าฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องนีง่คือการยึดรูปแบบมากจนเกินไปยึดภาษาบาลีภาษาที่ใช้ในสมัยพุทธกาลมาเป็นภาษาในการเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์ประโยชน์มันต้องอยู่ที่การใช้ภาษาที่คนเขาเข้าใจฟังคนฟังเขาเข้าใจ อันนี้อันนี้เป็นข้อบกพร่องของคณะสงฆ์เพราะท่านยังยืดรื้แบบเรื่องบาลีกันอยู่ยังให้ศึกษาบาลีกันประเรียนเกันเนี่ยประเรียนหนึ่งถึงประเรียนเนี้ไม่ได้เรียนคําสอนนะเรียนภาษาบาลีเรียนภาษาบาลีเพราะเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านีา้ใช้ภาษาบาลีเป็นต้นฉบับ ก็เลยต้องศึกษาบาลีเพื่อที่จะได้อ่านคําสอนในภาษาบาลีได้กลัวว่าเดี๋ยวคําแปลที่มาแปลเป็นภาษาไทยอาจจะแปลเพี้ยนจากภาษาบาลีได้ก็เลยต้องเรียนซึ่งก็ไม่เป็นก็ก็สำคัญเรียนบาลีได้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอนุรักษ์ต้นฉบับเดิมไว้ก็ต้องมีผู้ที่สามารถอ่านภาษาบาลีได้ แต่สำหรับการเผยแผ่การนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่เขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้ภาษาบาลีแล้วเราเอาภาษาบาลีมาสอนเขานี่เข<ม>าก็จะฟังไม่รู้เรื่องัง<ม>นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ให้น้อยที่สุดใช้สัพที่จำเป็นจริงๆเช่นสั์ บ, บางคำนี้มันแปลเป็นภาษาไทยไม่ได้เช่นคำว่าพระนิพพานนี้มรรคผลนี้อาจจะต้องใช้ทับศั์ไป แล้วก็มาแปลความหมายทีว่านิพพานเป็นอย่างไรมรรคผลนี้เป็นอย่างไรเพื่อคนฟังจะได้เข้าใจอันนี้ก็เพราะว่าผลนี้ไม่ได้ผลไม่ได้หมายถึงผลลไม้มรรคก็ไม่ได้หมายถึงถนนหนทางแต่เป็นทางไปสู่พระ น, นิพพานผลก็คือผลที่ได้จากการเดินทางไปก็จะได้ขั้นต่างๆของพระ น, นิพพานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ จนถึงขั้นขั้นที่สี่จึงได้พรอนิพพานอย่างสมบูรณ์อันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือความสนใจก็จะไม่เกิดความอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมก็จะไม่เกิดฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเช่นเวลาญาติโยมไปงานศพนี้พาท่านกระสวด บ, บาลีกันเต็มร้อยเลย กุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอันนี้ก็เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นน่กุศลาก็แปลว่ากุศลธรรมที่เป็นกุศลกุศลาธรรมะคือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นประโยชน์ธรรมที่จะทำให้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นนีอกุศลาธรรมะก็เป็นธรรมที่จะดึดจิตใจให้ลงต่ำเป็นธรรมะที่ไม่สร้างสารรเป็นค เป็นสิ่งที่จะฉุดจิตใจให้ลงต่ําเรียกว่าอากุศลเช่นการกระทําบาปต่างๆการเสพอบายมุขต่างๆนี้เรียกว่าอกุศลธรรมมาแล้วก็อบายปชาธรรมมาอบายกตาธรรมมาอันนี้ธรรมที่เป็นกลางๆไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลเช่นอะไรการกระทําอะไรที่ไม่ได้เป็นกุศลเป็นอกุศลก็คือการกระทําที่เราทํา เกี่ยวกับตัวเราเองเช่นอาบน้ํานั่งหน้าแปลงฟันเหล่านี้ไม่ได้เป็นกุศลเพราะไม่ได้ไปยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่ได้ดึงให้จิตใจเราลงต่ําเพราะการจะดึงจิตใจให้เราสูงขึ้นนี้เราต้องทําให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราเช่นทําบุญเนี่ยพอเราทําบุญคนที่เราไปทําบุญด้วยเขาได้รับประโยชน์พอเราเห็นเขาได้รับประโยชน์จากการทําบุญของเราเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทันที แต่การล้างหน้าแปลงฟันของเหล่านี้เราไม่ได้ไม่มีใครคนอื่นเขาได้รับประโยชน์เราได้รับประโยชน์เราก็เลยไม่รู้สึกว่ามีความสุขแต่อย่างใดอันนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นกลางที่ไม่ได้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเวลายาตยมไปงานศพนี่เขาจะสวดพวกนี้กุรลธรรมมากุศลธรรมมอัปยาปชาธรรมาอะไรสวดไป พอสวนเสรก็สาธุกันแต่ไม่รู้สาธุกับอะไรก็ไม่รู้สาธุกับการสวดนั่งแต่ไม่ได้สาธุกับธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังเพราะไม่รู้ว่าพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าน่าวิตกเนี่ยศาสนาของเราจะเสื่อมก็เสื่อมเพราะเนี่ยการสื่อสารมันสื่อสารกันไม่ตรงภาษากันพอพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้มันก็ไม่รู้จะพูดกันอย่างไร ต้องเอาคำแปลมาสวดซิกุศลาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลาธรรมที่เป็นอกุศลปยากาตาธรรมที่เป็นกลาง อ, าอันนี้สวดไปคนฟังจะได้เข้าใจาจะได้ความรู้หรือสวดมงคลละสูตรมงคล38ก็เหมือนกัน เ, เสวนาจัปพาลานังบันฑิตานันจะเสวนา บูชาจะปูชนียานังเอตมังกะละมุตตมังญาติโยมฟังแ <c oughs> <c oughs> ปลว่าอะไรเพราะท่าไม่แปลให้ทราบว่าการไม่คบคนโงหนึ่งการครบบัณฑิตคนฉลาดหนึ่งการบูชาบุคคลที่สงคนต่อการบูชาหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งต้องแปลความหมาย คนฟังจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรกันในมงคลระสุดการที่จะทําให้เราได้ประสบกับสิ่งที่เป็นสิ่ิลมงคลนี้เราต้องอย่าไปคบกับคนโง่คนที่ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรียกถือว่าเป็นคนโง่ทางศาสนาให้คบกับบัณฑิตคนที่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์อันนี้แหละ เป็นบุคคลที่เราควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยแล้วก็ควรบูชาบุคคลที่เป็นพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปูยา่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือบรรพชนบุตรที่สร้างประเทศชาติมาให้กับเรานี้ถึงแม้ท่านไม่อยู่แล้วแต่ท่านมีพระคุณกับเราเราก็ต้องรู้จักตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการบูชายกย่องไม่ใช่มาเหยียบย่าทาลายท่านนี่เพราะไม่ได้ศึกษาธรรมกัน ก็เลยไปทไําในสิ่งที่เป็นอันมอนปมงคลไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลไปด่าคนนั้นไปด่าคนนี้เขาทําไมได้อะไรจากการไปดา่าเขาควรจะบูชายกย่องเขาว่าบรบบพรพบุรุษบรรพบุรุษของเขาได้เสียสละต่อสู้เสียสละชีวิตของเขาเพื่อรักษาประเทศชาติของเราให้มาอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้เรากลับไม่เห็นบุญคุณของเขาเลย อันนี้ก็เป็นเพราะไม่ได้รับการสั่งสอนไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังธรรมนั่นเองหรือไปวัดก็ไปฟังพระสวดเวลานิมนต์พระไปสวดก็สวดมงคลสาสิบปดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าสวดอะไรกันเนี่ยทุกครั้งที่ญาติโยมนิมนต์พระไปสวดที่บ้านนี้ก็จะสวดบท น, นี้กันทั้งหมดมงคลสามสิบปดแต่สวดไปก็เท่านั้นน่ะเหมือนสวดให้เหมือนสอนนกแก้ววอกแก้วจา๋าแก้วจ๋าเนี่ย พอหยิบก้วให้มันมันเขียทิ้งเขียทิ้งพอเห็นกล้วยมันคว้ามับเลยนั่นแหละนี่คือเรื่องของธรรมะที่เป็นเอหิปัสสิโกอให้เป็นเอหิปัสสิโกนี้ผู้สอนต้องใช้ภาษาของผู้ฟังพอผู้ฟังฟังเข้าใจแล้วก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วจะยินดีที่จะโอปะนายโกน้อมเอาเข้าไปปฏิบัติต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของพระ ธรรมคุณคุณสมบัติของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาฝากท่านในวันนี้ mm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm. จะขออนุโมทนาให้พร mm. ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง mm. เอวามีวะอิโตชินงัง mm. เปตานังอุปกปติ อิชิตังปาิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธาณิโชติราโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพารุโขวินัสตุ มาเตภวะตวันตาลายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิกสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรมอวัฏานติอายุวันโอสุขังปาลัง ที่ส่วนนี้ก็ภาษาแข่งเหมือนกันฟังก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่สาทุ ก, กันทุกคนดูแค่อายุวันโนสุขังฝลัง่งนึงพอล้วสี่ตัวนี้ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนกระทั่งเราเลิกหลังจากเลิกแล้วก็ของดถาม ไม่มีหลังใหม่้องถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะถามหน้าใหม่มก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนแล้วจะอ่านคำถามให้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง Facebook 337 YouTube 197วิทยุออนไลน์8หน้ากุฏิ85รวม627คย่ะเค่ ะ, ะวันนี้มีคุณหนูสนใจอยากจะถามคำถา ม, ถามชื่อใะบายบยกเหรอ ใบหยกจริงทองใบหยกพ่อเปล่าถามได้ค่ะหนูมีคําถามก็คือว่าทํายังไงถึงจะไม่ขี้เกียจหรอคะก็ต้องขยันเลยยากตรงไหนเลยนะทุกครั้งขี้เกียจก็รีบลุกขึ้นมาเลยจับเอาไม้กวาดแล้ว่จะทํ า, อ, าทอะไรกวาดบ้านก่อนเลยกวาดบ้านเช็ดถูบ้านทําความสะอาดบ้านก่อนค่ะขอบคุณค่ะอะ ล, ลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์เลยถ้าขี้เกียจก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์เลยทำทำําทําสิ่งที่ดีทําอะไรก็ได้ดูหนังสืออ่านหนังสือเรียนก็ได้ <Okay. S 1> พ, อพอรู้ว่าขี้เกียจครับต้องรีบลุกขึ้นมาเลยต้องทําทันทีเลยถึงจะเอาชนะมันได้ะพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเบื่อล่ะครับ เบื่อก็ต้องทําให้มันหายเบื่อเลยแล้วจะทำให้หายเบื่อยังไงเหรอครับอ๋อก็ทําซ้ําเพื่อบังคับทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายเบื่อเองครับเป็นพุโทโธถ้ามันเบื่อพุโทโธก็พุโทโธต่อไปยิ่งเบื่อเราก็พุโทโธไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวพอได้ผลกันมามันก็จะหายเบือ่อเองทาความดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ผลดีแล้วก็จะหายเบือ่อเองจะให้มันเบื่อแล้วมันหยุดน พอเบื่อแล้วมันจะหยุดทําความดีกันหยุดเรียนหนังสือหยุดทําการบ้านหยุดอะไรกันถ้าเบื่อในการทําความดีต้องต้องทํามันซ้ําไปยิ่งเบื่อยิ่งทำํำแต่ถ้าเบื่อในเรื่องที่ไม่ดีก็ดีไปเบื่อเล่นเกมก็เลิกไปเลยอย่าไปเล่นมันเลยนะเข้าใจไหมครับอต้องทํำดู าถามเองป ว, วดแล้วเลนคนที่สองคนนี้ไม่ไม่ถามเลยเจ้ะ ไ, ไม่มีคำถามเลยเไม่มีก็แล้วไปไม่บางครับ อ, าอา่าท่านี้ก็แล้วกันนะ เ, เ, เดี๋ยวหนูไปหานั่งที่ไหนรอบๆตรงนี้มันแดดเดี๋ยวจะเข้ามานะ คำถามสกุลอติวัตขอถามกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะการเจริญวิปัสนาใช้คำบริกรรมว่าเกษาโลมานักขาทันตาตะโจภาวนากลับไปกลับมาในใจถูกวิธีไหมเจ้าคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นคือเอาชื่อมันก่อนขั้นที่สองก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอะไรเกษาคืออะไรเกษาคือผมนักขาคือขนโลมา คือหนังอะไรนี้เป็นต้นนะขาดันตาตาจเกษาโลมาโลมาคือขนพอรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วที่ขั้นต่อไปก็ดูรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนขนอยู่ที่ไหนเล็บฟันอยู่ที่ไหนแล้วก็พิจารณาว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือว่ามันจะเดี๋ยวก็จะผมก็จะขาวผมก็จะงอกผมก็จะร่วงก็เรียกว่าไม่เที่ยง แล้วก็ดูว่ามีตัวตนหรือเปล่าผมนี่มีตัวตนหรือเปล่าเราเป็นผมหรือผมเป็นเราหรือเปล่าหรือเรากับผมเป็นคนเราส่วนกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาต้องเห็นทั้งอนิจจังเห็นทั้งอนัตตาจะได้ไม่ไปทุกข์กับผมผมเขาาก็มันขาวไปเราไม่ได้เป็นผมเราไปทุกข์วิตกกงวลกับมั น, มนทำไมผมมันจะร่วงกันร่วงไปเนี่ยยินไงหัวกัล้วเนี่ยก็ปล่อยมันร่วงไป ไปห้ามันได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงคนมาใช้ร่างกายนี้เท่านั้นเองร่างกายมันก็ไม่เที่ยงมันก็แก่เจ็บตายไปตามเรื่องของมันอันนี้ก็เป็นการพิจารณาถ้าจะพิจารณาดูว่าสวยงามไม่สวยงา ม, มก็ต้องดูเข้าไปใต้ผิวหนังเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นถ้าอยู่ตามผิวหนังดูที่ผิวหนังเราก็จะเห็นว่าโ้ยผิวสวยหน้าสวย รูปร่างดีอะไรต่างๆแบบ น, นี้แต่ถ้าเราอยากจะดูว่าแล้วข้างในเราเป็นยังไงข้างใต้ผิวหนังเป็นยังไงข้างใต้ผิวหนังก็มีเนื้อเมียนมีกระดูกโครงกระดูกนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในร่างกายเรานเองอยู่ในร่างกายของคนที่สวยที่งามที่หล่อนี่พอเห็นโครงกระดูกของเขาแล้วก็จะได้หายหายหลงไหลว่าเขาเขาสวยเขาหล่อเขางามใช่ไหมเขาก็มีโครงกระดูก อันนี้เพื่อเพื่อให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายต้องมองเข้าไปข้างในคำถามจากคุณสวัสดีขอเรียนถามทาสมาธิจนรู้สึกจิตตื่นเวลานอนเหมือนไม่หลับขอคำแนะนำพระอาจารย์จะแก้ไขและทำอย่างไรคะก็ปฏิบัติต่อไปสิไม่หลับก็ดีเลยจะได้ปฏิ บ, บัติมากๆบางท่านนี่ต้องถือเนสัชชิกบังคับไม่นอนถึงแม้จะง่วงก็ไม่นอนถือสามเดียาบท ถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในสามท่านี้ท่ายืนท่าเดินท่านั่งมันก็จะได้หลับไม่นานจะได้ไม่เสียเวลาคนที่เขาปฏิบัติทำแล้วเขาได้ผลแล้วทีนี้เขาอยากจะปฏิบัติมากเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่นั่นเองเอาถึงต้องรีบแข่งกับเวลาทำกับแข่งกับเวลาฉะนั้นคนที่นอนไม่หลับนี่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลละไม่ต้องกลัวไม่ตายหรอกร่างกายมันไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลามันจะหลับมันหลับเองอะ ถ้ามันยังไม่หลับก็ดีเราก็นั่งสมาธิต่อไปเดินจงกรมต่อไปปฏิบัติธรรมต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการสังกายให้ทำสิ่งต่างๆตามความอยากหรือกิเลสทางพันว่าเกิดจากจิตส่วนทางแพทย์ว่าเกิดจากสมองกราบนวัส ก, การ์พระชามชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะติดตรงนี้มากเพราะจำว่าเป็นสมองมานานแล้วค่ะอ๋อมันจะมาทางไหนไม่สาคัญหรอก สำคัญก็คือต้องกำจัดมันมันจะมาทางสมองหรือมาทางใจมันก็มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นแหละพราเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะไม่สบายแล้วอยากจะได้อะไรนี่เช่นอยากจะได้ตำแหน่งอันนี้ทีก็นอนกระวนกวายแล้วจะได้หรือเปล่าสิ้นปีนี้เขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับเราหรือเปล่าสร้างความกระวนกวายกระสับกระส่ายขึ้นมาแต่คนที่ไม่มีความอยากเขานอ น, อนหลับสบาย ว่าเขาไม่มีอะไรมาทำให้เขาต้องกัง ว, วลนั่นเองเะฉะนั้นไม่ต้องไปนสนใจที่มาของมันว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมองหรืออยู่ที่ใจอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญแต่มันจะรู้เองถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่สมองมันอยู่ที่ใจแต่ตอนนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วต้องหยุดมันให้ได้วิธีที่จะหยุดมันก็ต้องหยุดความคิดถึงเรื่องที่จะทาให้เราอยาก คิดถึงขนมก็อยากกินขนมแล้วก็หยุดความคิดนั้นเช่นเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดไปคิดถึงขนมแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปเด้อถ้าอยากจะใช้ปัญญาก็คิดถึงเวลาขนมอยู่ในปากแล้วมันน่ากินไหมอย่าไปคิดถึงขนมที่มันอยู่ในจานเห็นขนมอยู่ในจานน้อน้อมลายไหลพอเห็นขนมที่อยู่ในปากนี่พอเราคายออกมานี่เราตักเข้าไปในปากตักเข้าไปกินใหม่ได้หรือเปล่า อันนี้ก็จะทำให้เราหยุดความอยากได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคุณผู้ชายอยากจะถามอะไรหรือเปล่าเวยั ง, ย, งยังไม่ได้ถามเลยครับโอเคใช่ถ้าใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นได้นะจะให้ถามก่อนต่ อ, อไปในทางศาสนาพุทธไม่ให้กราบไหว้บนบานกับสารเจ้าที่หรือสารสิสติถิของวิญญาณแต่เราแค่ยกมือไหว้ทำความเคารพตามมารยาท หรือตามธรรมเนียมแบบนี้ผิดหลักของพุทธศาสนาไหมครับอ๋อการได้ความเคารพนี่ไม่ผิดหลักหรอกาศาสนาก็สอนให้เรารู้จักที่สูงที่ต่ำนะใครที่เขาสูงกว่าเราเราก็ต้องเคารพเขาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตะมังให้บูชาให้แสดงความเคารพต่อผู้ที่เขาสูงกว่าเราเช่นบิดามารดาปูยาตาญายครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มี พ่อคุณกับเราเนี่เราก็ต้องให้ความเคารพ ก, กับเขาอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ดีเป็นมงคลนะงั้นถ้าเราเชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทางเขาคุ้มครองเรารักษาเราเราก็ยกมือไหว้เขาไปก็ได้ตามความเชื่อของเราส่วนจะมีจริงหรือไม่มีจริงนีง่ก็ต้องพิสูจน์เราเองที คำถามสักคุณรัตนาพรบวชีโกนผมกับไม่โกนผมต่างกันอย่างไรคะโกนผมก็หัวโลนถ้าไม่โกนหัวก็ไม่โลนเ่ยต่างกันแค่นั้นเพราะบวชีก็ต้องถือศีลแปดแต่โกนหัวก็ต้องถือศีลแปดไม่ถือ mm hmm. ถ้าไม่โกนหัวแล้วไม่ถือศีลแปดก็มันก็ต่ํากว่าเ mm hmm. ช่นบางคนนุ่งขาวผ่มขาวแต่ถือศีลห้าอย่างนี้ mm hmm. ก็มี อันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้อยู่ที่การโกนศรีรษะของเราหรือไม่โกนศรีรษะอยู่ที่ศีลถ้าจะบวชชีเต็มรูปแบบก็ต้องต้องรักษาศีลแปหรือศีลสิ 10, ถึงจะถือว่าเป็นการบวชชีแล้วทีนี้เพื่อให้มันเข้ากับสมมุตินิยมพวกที่บวชชีเขาก็ให้นุ่งขาวห่มขาวโกนศรีรษะอันนี้ก็เป็นเรื่องการทําตามสมมุตินิยม แต่ถ้าถ้ากนสีแสะนุ่งขาวหอมขาวแล้วเข า, ข า, ข า, ข า, ขาไปเต้นดิสโก้เนี่ย <laughs> มันก็ไม่ได้บวชอยู่ดีต้องต้องถือศีล8ปหรือศีลส0ถึงจะถือว่าเป็นนักบวชจริงคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่พ่อแม่หนูเสียไปแล้วทั้งคู่หนูสามารถทำความเข้าใจได้ว่าเป็นสมมติถ้าติดในสมมติก็เป็นทุกข์ตอนนี้อยู่กับแมว อ, อีกสามตัวพอแม่ป่วยแล้วหนูพิจารณาได้ว่าหนูทุกข์เพราะความยึดติดค่ะ เราควรพิจารณายอย่างไรถึงไม่ยึดติดกับแมวก็มันต้องไปเน่ยไม่ช้าก็เร็วมันก็เหมือนพ่อแม่เราที่ไปแล้วออแมวต่อไปมันก็ไปร่างกายของเราก็ต่อไปก็ต้องไปร่างกายของแต่ละคนก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแล้วไม่มีใครตายไม่ไม่มีใครไม่ตาย ทุกคนที่เกิดมาเราจะต้องตายด้วยกันทุกคนชา้าเรือเร็วก่อนหรือหลังเท่านั้นเองคำถามสักคุณอย่าเชื่อเดือนถามพระอาจารย์พ่อแม่ลูกเมียเกี่ยวพันแต่ชาติปางก่อนทั้งชาตินี้ชาติหน้าจริงไหมครับก็ไม่แน่บางบางคนก็เกี่ยวบางคนก็ไม่เกี่ยวมันไม่ไ ม, มีมันไม่มีอะไรมายืนยันว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวบางคนเกี่ยวก็มีบางคนไม่เกี่ยวก็มี คำถามสกุลโวเมื่อผู้ปฏิบัติที่สามารถทำความสงบด้วยคำบริกรรมได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นสมาธิแล้วใช้สติ ก, กำหนดที่ความรู้ที่เด่นชัดนั้นแทนคำบริกรรมความรู้ที่เด่นชัดนั้นคือจิตใช่ไหมครับใช่ผู้รู้นะผู้รู้คือจิตถ้าจิตถึงตัวผู้รู้ก็ให้อยู่กับผู้รู้ไปอย่าให้ไปคิดอะไรก็แล้วกันถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิด ก็จะส ง, งบเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องไปเต้นดิสโก้ไม่ต้องไปช้อปปิง้งไม่ต้องไปเที่ยวคำถามจากคุณดวงการสร้างสมาธิโดยการภาวนาพุโทโธเพื่อให้หยุดคิดสิ่งที่ไม่จำเป็นในช่วงระหว่างวันดิฉันสงสัยว่าถ้ากำลังทำงานเช่น พับผ้าทํากับข้าวเป็นต้นควรภาวนาพุทโธใช่ไหมคะหรือต้องรอให้ทํา ง, งานเสร็จก่อนแล้วค่อยพุทโธค ะ, ะพุทโธไปกับการทํางานได้เพราะเราไม่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเราไม่ได้คิดเราอยู่กับการเยับทางานก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้าเราอยู่กับการพัพบผ้าเราก็พับผ้าไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้แต่ถ้าเราพับผ้าแล้วไปกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้นก็ต้องใช้พุทโธพุทโธมาหยุดมัน คำถามจากคุณนิชมนค่อนข้างยาวนะคะขออนุญาตสรุปค่ะลูกมีความทุกข์ที่ไม่สามารถวางลงได้ขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางแก่ลูกด้วยลูกรู้สึกเหมือนเป็นลูกอักตันยูทำให้รู้สึกหดหูและเศร้าใจอยู่ลึกๆตลอดเวลาเรื่องที่หนึ่งเวลาที่ลูกกลับบ้านหาแม่ที่ไรแม่ก็กูรีกูจอทำอาหารให้แต่ว่าเราไม่อยากให้แม่ทา แม่จะห้ามแม่แม่ก็จะมีอารมณ์โมโหระบบนว่าแม่แก่มากแล้วไม่อยากให้ลูกทําเคยแก้ด้วยการอยากอยากไม่อยากกินแม่ก็เสียใจเรื่องที่สองแม่ชอบแล้วเรื่องอะไรแล้ ว, วจาไม่ได้ไ เ, ขเขาสรุปข้างหลังนะคะพอเดี๋ยวจําไม่ได้เดี๋ยวนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ตอบเรื่องที่หนึ่งก็บก้างเร่องด้นะคะอาจารย์เดี๋ยวย<ร>ไปที่สองเดี๋ยวเรื่องที่หนึ่งเราก็ลืมแล้วล่ะ เขาเล่าเรื่องมาพอแล้วก็มาสรุปนะคะอาารยสรุปเลยดีกว่างี้ค่ะ เ, เขาบอครบทุกใจหรือเคยบางทีไม่อยากกลับบ้าน<ะ>แม่จะได้ไม่ต้องเหมื่อยทําอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเขาทุกข์ใจมากแล้วก็แม่ชอบบ่นว่าคนอื่นให้ฟังเพื่อแล้วไม่อยากให้แม่บ่นให้ฟังเพื่อสร้างวิบากกรรมเพิ่มเคเยบอกว่าถ้าไม่กลับมาจะไปกลายเป็นลูกอักตันยูไหมคะที่ไม่ดูแลพ่อแม่เพราะว่าไม่อยากให้แม่เบ่นคนอื่นให้ฟังหรือว่าว่าเรื่องคนอื่นนะคะ โดอความทุกของเรามันไม่ได้อยู่ที่แม่อยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราไปอยากให้แม่ไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรืออยากให้แม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำตามความอยากเราก็ทุกข์ใจเน้นถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ใจยังอยากจะมีความกตัญญูอยากจะอยู่ใกล้แม่ต่อไปก็อย่าไปสนใจอย่าไปปล่อยให้แม่เขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเขาอยากจะทำกับข้าให้เราก็ปล่อยเขาทาไปเขาได้เขาได้ทบุญ ก็ตอนที 90, ่เราเป็นเด็กเขาก็ทํากับข้าเรากินได้ทำไมตอนนั้นเราไม่บ่นว่าไม่อยากกินนะก็ทําตัวถ้าเป็นเด็กก็แล้วกันเพราะเขาแม่พ่อแม่ต่อให้เราอายุแปดสิบเก้าสิบเขาก็ยังบมองเราเป็นเหมือนเด็กอายุเจ็ดปดขวบนั่นแหละเขายังอยากจะทําอะไรให้เราอยู่นั่นเขปล่อยก็ทําไปก็แล้วกันเราก็จะอยู่กับเขาได้เนี่ยปัญหาเราหนีไปก็ไม่ดีหนีไปก็ทุกข์ใจอีกว่าเอ้เราไม่กระตันอยู่หรือเปล่าเราไม่เลี้ยงดูแม่หรือเปล่าเราทอดทิ้งแม่หรือเปล่าอีก มันแก้ปัญหาไม่จบอะถ้าไปแก้ที่ด้วยการที่การเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่นั่นเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้ต้องแก้ที่ใจเราคือแก้ความอยากของเราเทนั้นเองหยุดความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้พุทโธนี่เราหยุดไปก่อนพอมันอยากให้แม่ไม่ทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปแล้วก็ปล่อยให้แม่ก็ทําไปแม่อยากจะทํากับข้าก็ปล่อยแม่ทําไปแม่อยากจะบ่นอยากจะด่าใครก็ปล่อยให้เขาบ่นให้เขาด่าไปเราก็พุทโธพุทโธของเราไปน มันก็จะไม่ทุกข์กับการกระทําของแม่ไปคําถามจากคุณที่ตาพรลูกเคยไปบวชพำที่วัดมาเมื่อไม่นานนี้ก่อนหน้านี้ลูกเคยฟังนาําจากพระอาจารย์ลูกมีสามีที่ดื่มเหล้าหนักมากตอนนี้อายุ45ลูกเตือนและห้ามเขาให้หยุดวางเพื่ อ, อนาคตของลูกและเพื่อร่างกายวันก่อนเขาชกหน้าลูกและถีบหน้าอกอย่างรุนแรงเ <c oughs> พราะลูกห้ามไม่ให้ดื่มเหล้ามันคือเวรกรรมของเราสองแม่ลูก <c oughs> ที่มีหัวหน้าครอบครัวแบบนี้หรือเปล่าคะ ครั้งนี้รุนแรงที่สุดแล้วและกำลังจะสูญเสียบ้านที่ผ่อนมาแปดปีเลชวนก็เริ่มเก็บตังค์อีกครั้งลูกกดดันเขาหรือเปล่าคะหรือลูกควรไกลห่างจากคนแบบนี้คะ อ, อทําใจได้แล้วแหละว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนถ้าลองทุบตีกันแล้วก็เตรียมเตรียมทำใจดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งเขาเลยนีที่เราไปพูดไปนี้เพราะเราห่วงตัวเรามากกว่าห่วงเขาเพราะเราพึ่งเขาเพราะเราเห็นว่าเราจะพึ่งเขาไม่ได้เราก็อยากจะไปห้ามเขาไม่ให้เขาทํา นี่าไปห้ามในสิ่งที่เขารักเขชอบเขาก็โกรธเราเท่านั้นสิงั้นทําใจดีกว่ามาแก้ที่ใจเรานั่นแหละจ้ว่าเราอย่าไปอยากเลยอย่าไปหวังพึ่งเขาเลยดีกว่าอาจมาพึ่งตัวเราเองดีกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนเราจะสบายใจกว่าอยู่กับเขาได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็แยกกันไปแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาถ้าคิดว่าอยู่กับเขาแล้วมันไม่เจริญก็อยู่ไปทําไมแยกกันอยู่ดีกว่า คำถามสัก ค, คุณุคุณพ่อป่วยเป็นโรคผิวหนังและความดันสูงแกไม่ยอมไปหาหมอในฐานะลูกคนดูแลพ่ออย่างไรดีคะก็ป่วยเป็นเรื่องของเขานะเราก็เพียงแต่อาสาสมัครว่าถ้าต้องการไปหาหมอให้เราพาไปเราก็พาไปถ้าต้องการหาหมอคนนั้นคนนี้เราถ้ามีปัญญาที่ค้นว่าหมอคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนเราก็ค้นหาให้เขาไป คือต้องทำตามใจเขานนะอย่าไปทำตามใจเรามันก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายของเขาชีวิตของเขาแล้วเราไปไปยุ่งกับเขาทำไมใช่ไหมเราเป็นมีหน้าที่รับใช้เขาแล้วก็ทำตัวเป็นคนรับใช้ไปเย่ยเราเป็นแฉวยเขาเป็นเจ้านายเรานี่เรากลับไปเป็นเจ้านายเขาเราไปบังเข้าให้เขาทำตามที่เราอยากมันก็มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาท่านนี้งั้นการดูแลพ่อแม่ต้องดูแลแบรบรับใช้พ่อแม่ตามใจพ่อแม่ พอแม่อยากจะทำอะไรก็โอเคยกเว้นว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันผิดศีลผิดธรรมก็เราก็ทำให้ไม่ได้แต่ถ้าเรื่องของท้าไม่ผิดผิดศีลผิดธรรมเรื่องของอัธยาศัยเขา อ, อยากจะกินไม่กินก็เรื่องของเขาเขา อ, อยากจะนอนไม่นอนก็เรื่องของเขาเราไปอย่าไปยุ่งกับชีวิตของเขาเรามีหน้าที่รับใช้เขาทำกับข้า้เขากินพาเขาไปหาหมอสักผ้าเขาอะไรต่างๆทาไป แต่เรื่องส่วนตัวเขานี่ปล่อยให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเขาจะดีกว่าแล้วเราจะได้บุญเราจะมีความสุขใจ คำถามจากคุลกิติยาเคยฝันถึงครูอาจารย์หลายองค์เช่นเคยฝันว่าได้ไปกราบหลวงปู่บุญเพงวัดถาำกองเพลนซึ่งตอนนั้นในฝันหลวงปู่อาพาธอยู่ห้องไอซียในฝันนั้นหลวงปู่เดินออกมาหาและบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าปู่จะได้กลับวัดได้นะดีขึ้นพร้อมทั้งนนในฝันหลวงปู่ได้ทาของบางอย่างให้ท่านบอกว่ารักษามันให้ดีนะมันเป็นพระอบเชียนหมากของหลวงปู่ขาวหลังจากนั้นความฝันนั้นผ่านไปหลวงปูก่กละสังขารขอาการเรียนถามพระอาจารย์ว่าปริศนาทำนี้หมายความว่าอย่าง อะไรเจ้าคะและเหตุใดหลวงปู่จึงเอาเชียนหมากของหลวงปู่ขาวให้เก็บรักษาได้ค่ะอ๋อมันไม่เป็นปิศนาหรอกเราไปทํำมันเป็นปริศนาอย่างนั้นเองมันก็เป็นความฝันแล้วนั่นเองมันก็รู้ว่ามันเป็นความฝันหรือว่ามันผ่านไปแล้วก็รู้เท่านั้นก็พอถ้ามันจะเป็นปริศนามันมีคําตอบเดี๋ยวมันก็มันก็มาหาเราเองเดี๋ยววันดีวันดีคนดีคนอาจจะเอาชานหมากมาให้เราก็ได้ก็จะได้รู้ว่าอฝันนี้แม่นนะฝันนี้ก็เท่านั้นเอง ถ้าไม่มีอะไรที่จะต้องรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะความฝันนี่ใครก็ฝันได้คิดได้มันก็เป็นความคิดปรุงแต่งของจิตใจนั่นแหละนั้นไม่ hmm. อย่าไปสนใจกับไอ้เรื่องเหล่านี้มากเกินไปนะนอกจากว่ามันฝันแล้วมันไปตรงกับความเป็นจริงอันนี้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อฝันเราแม่นนะ มันฝันมันเวนนี้จะออกนะสี่หกอ่ะออกสี่หกแปะเลยโอ้ฝันนี้ดีคราวหน้าดูเส้อมันจะออตรงเองหรือเปล่าถ้าตรงทุกครั้งจะได้รู้ว่าโอ้ฝันของเรานี่แม่นจริงๆนะคำถามจากคุณนิทัศขอถามให้พระอาจารย์อธิบายมหาสติเป็นอย่างไรครับมหาก็ใหญ่ สติก็ไม่ใหญ่ถ้าเป็นสติก็เป็นสติธรรมดาถ้ามหาสตินี่ก็เป็นสติที่ใหญ่คือความหมายคือสติตอนต้นก็เป็นสติน้อยมีน้อยมีแล้วก็เผลอมีแล้วได้สองสามวินาทีแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวสองสามวินาทีก็กลับมาใหม่ก็เรียกว่าสติแต่ถ้าเป็นมหาสตินี้เป็นสติที่ไม่หายต่อเนื่องเลย ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับนี่สติอยู่กับตัวตลอดเวลานี<ม>้นเขาเรียกว่ามหาสติหลวงตาฉันใช้คําว่าสติอัตโนมัติเพราะอยางอัตโนมัติมันมันมีอยู่ในตัวของมันมันเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติเลยเรียกมหาสติคําถามสากคุณสุภกร การที่เราโดนว่าร้ายจนตกเป็นจําเลยของสังคมใจหนึ่งก็โกรธอีกใจหนึ่งก็อยากให้อภัยไม่ทราบต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะก็าวางใจว่าอยู่ในโลกนี้มันมีสันเสริญมีนินทาไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่ขนาดไหนก็มีสันเสริญมีนินทาตามต้อยขนาดไหนก็มีสรรเสริญมีนินทาเป็นโลกธรรมเป็นธรรมดาของโลกที่ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จําเป็นที่จะต้องพบปะ วิธีปฏิบัติก็คืออย่าไปยินดีกับสรรเสริญแล้วก็อย่าไปยินไล่กับนินทาทําใจให้เป็นกลางๆเฉยๆถ้าเราไม่ยินดีแล้วถ้าเราไม่ยินดีกับสรรเสริญแล้วเราจะไม่เราจะไม่ยินไล่กับการนินทาเราก็จะถือว่าเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาไปนั่นเองก็ปล่อยเขาพูดไปเนี่ยนกกาตอนนี้มันสรรเสริญ น, นินทาเราเราก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ปล่อยมันร้องของมันไปก็เท่านั้นเอง ปัญหาคือเรามันชอบให้เขาสรรลเส ร, ริญไม่ชอบให้เขานินทาเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาต้องตัดความชอบไม่ชอบนี้ออกไปทําใจว่ารับได้ทั้งสองอย่างสร ร, สรรเสริญก็ได้นินทาก็ได้เพราะมันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นหรือเลวลงหรอกใช่ไหมออถ้าเขาสรรเส ร, ริญแล้วเรารวยขึ้นเนมันก็น่าจะให้เขาสรรลเส ร, ริญหรือนินทาแล้วทําให้เราจนลงก็ก็น่าก็ควรจะให้เขานินทาเราแต่สรรเสริญนินทาไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเรา เราดีเราเชื่อมันไม่ได้เป็นไปตามคําสรรเสริญนินทาของผู้มันอยู่ที่การกระทําของเร า, างั้นเรามาดูการกระทําของเราดีกว่าคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอกราบเรียนถามปัญหาเกี่ยวกับภาพที่โยมเห็นเปรดเกาะอยู่ที่หน้าผาสูงช่วงกลางของความสูงของหน้าผา ยงขอทราบว่าเขาทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมารับกรรมแบบนี้เจ้าคะก็ถามเขาเลมาถามเราได้ไงํางำถามจากคุณปัญลลักษ์ถ้าเรามีใจที่สงบแล้วเราจะไปต่ออย่างไรเจ้าคะหรือปล่อยให้ใจสงบไปเรื่อยๆเจ้าคะก็นั่นแหละให้มันสงบไปได้เอยสงบไปจนมันตายเลยแล้วจะมีความสุขใครด่าก็สงบใครชมก็สงบ เก็บไายได้ป่วยก็สงบเนี่ยความสงบนี่เป็นที่พึ่งของใจพยายามสร้างมันขึ้นมาแล้วรักษามันให้อยู่กับใจไปตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งในขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิพยายามรักษาให้มันสงบไปเถอดเราจะใจจะมีความแต่มีแต่ความสบายมีแต่ความสุขคำถามจากคุณนาวินปฏิบัติธรรมมาหนึ่งปีความโกรธหายไปไม่มีเหลือเลยครับเป็นผลมาจากอะไรครับ ก็ไม่รู้เหมือนกั น, นคุณไม่โกรธเพราถามเราทำไมหระคุณไม่โกรธมัน ก, ก็ดีราสิส่วนใหญ่ความโกรธมันจะเกิดจากความอยากอยากให้คําทำอย่างนั้นอยากให้ก็ททำอย่างนี้พอเขาไม่ทำเราก็โกรธเนี่ยอยากแม่เขาดา่าเราพอเขาดา่าเราเราก็โกรธก็เท่า น, นั้นเองแต่นี่แสดงว่าใจของคุณไม่มีความอยากมัถึงังไม่มีความโกรธขึ้นมา คำถามจากคุณ NTM ตอนนั่งสมาธิไปสักระยะรู้สึกตัวหมุนเป็นลูกข่างไม่สามารถผ่านจุดนี้ไปได้ทำให้หลุดออกจากสมาธิควรทำอย่างไรเจ้าคะอย่าไปสนใจมันเลยให้ยึดพุทโธไว้เวลามันมีอาการอะไรต่างๆของใจเกิดขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปมันจะหมุนก็ปล่อยให้มันหมุนไปแต่เราจะอยู่ตรงจุดพุทโธแล้วมันจะหยุดตร ง, งกลางอะไรจะหมุนก็ปล่อยมันหมุนไปอะไรจะเกิดจะดับก็ปล่อยมันเกิดมันดับไป แต่ใจให้เราก่อติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็ผ่านไปได้คําถามจากคุณนนประวิทย์ถ้าฆ่าสัตว์โดยไม่ได้เจตนาบาปไหมครับไม่บาปหลงบาปที่เกิดจากการมีเจตนาแล้วเกิดมีการเสียชีวิตของสัตว์ถึงเรียกว่าเป็นบาปที่สมบูรณ์แต่ถ้มีการเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาของเรานี้ยังไม่เป็นบาปแต่ก็ไม่ควรที่จะทําให้มันเกิดขึ้นบอ่อย เพราะว่าชีวิตใครก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า<ม>เช่นตายโดยอุบัติเหตุนี้ก็ไม่ถือว่าบาปขับรถชนคนตายคนตัดวิ่งตัดหน้าถนนรถยนต์นี้เราเบรกไม่ทั น, นไม่บาป<ม>แต่ก็คนระมัดระวังขับรถอะไรก็<ม>ที่ไหนที่มีคนมีอะไรก็อย่าไปขับมันเร็วจนเกินไป<ม><ม>ควรที่จะมีความระมัดระวังคิดถึงความผิดพลาดที่ของคนที่เขาเผลสติก็ได้เราจะได้ไม่